ีนะครับหรือในพระคำบีวังเมืองกาสีเขาชมเชยพระองค์ท่านผ่องใสนะักท่านเป็นใครหรือเมื่อพูะเจ้าบอกเขาตรงๆต่อสภาวะจริงๆว่าให้จำเลงว่าคือพุทธผู้ตื่นแรงอาชวกันนั้นแลบนิลหลอกแล้วก็เงืมๆนงำเงื่นมาว่าเชนเป็นเด้พอนะพ่อบัวหันบาลีคือพูดแดกดันว่าเชิญเป็นไดพอนะ ก็้วเขาก็นหนีไปเลยครับเดินหนีไปการสอนครั้งแรกโดยปราศจากธรรมบัญญัติปราศจากสมมติปราจากการแจกแจงเรื่งขันห้าไตยลักษล่อการแจกแจงให้ส ม, มุติพอที่เป็นใดใส่เ ต, ต้าไปเข้าใจสิ่งที่ลุ่มลึกเกินสมมตินั้นยังไม่มีครับผมจึงกล่าวไม่ใช่ต้วงจากพระองค์ท่านนะรเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งพระเจ้าสอนคนไม่สําเร็จกันมากโดยเฉพาะพะญาติของท่านเทวทัต แล้วก็หลายๆายคนด้วยครับพอทั้งหมดนั้นมันไม่ขึ้นในคำสอนของท่านขอโทษนะครับลองทบทวนอกีกทีนะครับว่าคำสอนคำตรัสที่บอก ว, ว่าเราเป็นทาสาของกรรม <c oughs> เราได้ยินเป็นคุ้นหูนะครับผู้เจ้านั้นทรง พูดได้ว่าตรงแอนตี้ความคิดของระบบความคิดของพราหมณเนี่ยเป็นอันมากโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดที่ตั้งฐา น, นบน ร, ระบบวันนะท่านสอนว่ามนุษย์เป็นทายาทถังกรรมหมายความไม่ได้เป็นทายาททางวันนะ <c oughs> ครามมีลูกก็เป็นพราม์อีกสูตรมีลูกต้องเป็นสูตรอีกเคยเหมือนกับว่าพูดว่าเคยทำนามีลูกก็ต้องทํานาต่อ ลราก็ว่าอาชีพเหล่านั้นถูกบงจากระบบวันนะผู้สอนคือพรามลูกของพรามเมื่อถึงวาระหนึ่งในสวมสายยันโยประวิดทำพิธีถาบนาขึ้นเป็นพรามและพรามก็สอนเจแต่พระองค์ท่านสอนจงข้าว่าเปียอกสะดุกแม่น้ำสี่สายมีชื่อแตกต่างกันมีต้นกำเนิดแตกต่างกันแต่พอไหลไปรวมเป็ น, นทะเลแล้ว ชื่อว่านามสมมุติต่างๆหมดสิ้นไปบุคคลที่มาจากวันณะนึงสี่เมื่อเข้ามาบวชเรียนศรัทธาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกเลิกเรา่หถอนคว า, ามยึดถือในระบบวันณะนั้นนึ่นสงจัยว่ามนุษย์เป็นทายาทแห่งกรรมแมาคว า, ามผลรวมของคว า, ามเป็นเราในขณะนี้ ที่มีความตึงเครียดหรือมีจิตใจอ่อนโยนหรือกระด้างหรือดีหรือชั่วหรือหนักหรือเบานะครัหยาบหรือประณีตเราพบว่าคนไม่เหมือนกันครับทั้งๆเป็นคนเท่ากันแต่เคนละคนเราเห็นในทางวิธีคิดคอ ข, ของเขากระมุนหรือท่วงท่าเขานุ่นนอนวิธีกายกรรมวรืีกรรมของเขานะครับหรือมโนโกรรมขเขาผิดแผกใจคนเองทั้งวันนี้เป็นการสะสมของวิบาก ว, วิบากกรรมม น, นั้นสาเร็จรูปเป็นตัวตนหนึ่งคนหนึ่ ง, งแล้ววิบากกรรมมั น, นั้นนะครับกําลังจะท่องสำรวจชีวิตวิบากกรรมกลุ่มก้อนนั้นนะครับกําลังดูภาพยนตร์กือกลังดูศิลปวัตถุในแกลเลอรี่กําลังนั่งดูลูกน้อยที่คลานต้มเตอยู่บนเฟืนโดยอํานาจของวิบากนั้นที่มองไปราะดังนั้นสิ่งที่ถูกไล่เห็นเนี่ยถูกครอบ ง, งาจากวิบากกรรมนั้น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 ถ้าเราเห็นเป็นเล็กก็แสดงเราผิดแน่นกับรูปทรงของแก้วที่ใหญ่แล้วคุ้นเคยแล้วเราสรุกว่าอันนั้นเป็นอัตราของแก้วหรือของเราเพราะฉะนั้นแก้วที่อยู่ข้างหน้าผิดแปกขนาดสูบหรือเล็กลงก็เนื่องจากายึดถือความใหญ่ไว้เะื่อเราเรามองไปสู่สังคมก็ดีหรือมนุษย์ในสังคมหรือเพื่อนมนุษย์ก็ดีการเห็นขอเราเป็นตัวปัญหาตลอดเวลา โดยเฉพาะการย้าแย่ของความคิดปรุงแต่งการท่อทสังหรณ์ชีวิตครั้งแล้วคั้งเล่าที่เราประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเปลี่ยนใจจากคนกทำผิดอย่างรุนแรงอาจจะผิดหนักขึ้นอีกเพราะความดื้อ ร, รั้นของเราเองซึ่งเป็นมิบากกบเก่าหรือสำหรคนที่อ่อนโยนอาจจะสารภาพผิดแต่แล้วก็ทําผิดอีกจําได้ เห่ือข้าวย่างของเราเป็นข้าวย่างซึ่งถลกักถลายออกจากทิศทางที่ดีที่เป็นกลางเพื่อถูกกระทําแล้วเราเป็นผู้กระทําเพื่อให้เกิดการถูกกระทํานั้นด้วยในสุดเราพบว่าถ้าไม่มีหลักการแล้วเราไม่มีทางเลยครับที่จะรู้สึกถึง สมาดุลหรือสิ่งดีๆได้หลักเป็นสิ่งสคันยิ่งครับด้วยเหตุนั้นโอวาตปาติโม่จึงเป็นหลักกว้างๆแล้วหลักกว้างนั่นเองครับช่วยเราได้มากกว่าหลักรายละเอียดสิแต่ว่าเราได้ยินครูบาอาจารย์สอนเรื่องการเข้าฌานยกจิตระดับนั้นนี่เป็นหลักที่ละเอียดมากครับแต่จริงๆเวลาเราเพี้ยงพรำขาดสติแล้วขาดหลักที่กว้างเราขาดความเข้าใจกว้างๆนั่นเองเช่นไปทั้งเผลอ ก็ทำความชั่วครั้งแล้วครั้งเล่าโดยหารู้ว่าพระเจ้าทรงห้ามด้วยหลักกว้างๆว่าอย่าทำบางทีท่านเข้าใจมนุษย์ดีว่ามนุษย์พลั้งพลาดได้ยนะท่านบอกว่าเมื่อทําบาปก็อย่าทำบ่อยอย่าทําบาปให้บ่อยท่านไ่า้เหมืนกันนะฮะแล้วก็ที่จริงแล้วมนุษย์เราที่ยอมรับมนุษย์ผิดพลาดได้ครับแล้วมนุษย์เรานั้นเรียนรู้ได้ดีมากในความผิดพลาดและล้มเหลว 20ปีก่อนผมเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเอลิซเบตเทเลอร์เป็นนางเอกเล่าทวนความหลังคนอายุปูนผมคงคุ้นคุ้นดีตัวนางเอกเขาก็หลงรักพระเอกซึ่งเป็นคนที่หิิงยโสแต่มีฝีมือในทางแวลลินมากก็หนีตามไปอยู่กันที่ปาลีเพื่อให้พระเอกได้เรียนต่อพ่อซึ่งมป็นคุณเจนจับเป็นคนที่เจนจับชีวิต แค่เห็นว่าที่ลูกเขยก็รู้ว่าคนนี้มันโลเลมากแล้วลูกเขาไม่สมควรที่จะไปอยู่กินนะ<ม>ให้ความไว้นื้อเสื่อใจเขาก็โกรธแล้วก็กห้ามตอนที่สุดลูกสาวก็ดื้อทำตามหัวใจปรารถนาตอนในช่วงสั้นนิดเดียวครับคำพยากรณ์ของพ่อก็ประจักษ์กันตัวว่าพ่อพูดถูกแล้วเขาสึกเสียใจและละอายก็ ทรสารกลับมาเพื่อขอมาตอบบิดาที่ไม่เชื่อฟังพ่อได้แสดงความสู้รู้เข้าไปโอบไหลแล้วบอกว่าเขารู้อยู่แล้วลนั้นเขาไมา่ติดถือสาแล้วเขาก็กลอบด้วยประโยคซึ่งยี่สิกว่าปีผมลืมไม่ลงครับพ่อกลอบว่าลูกเอ๋ยมนุษย์เราเรียนรู้ที่ไหนไม่ได้หรอกนอกในนอกจากในความผิดพลาดการเรียนจริงๆมันต้องล้มก่อนแล้วมันจึงจะรู้ว่าล้มเพราะอะไร ทีเียครับมันจะลุกขึ้นแล้วก็ค่อยปรับตัวลูกศัพทุกตัวครับมันอยู่ในฟอคลอดมามันจะยุกลุกขึ้นยืยนตรงไม่ได้มันลุกขึ้นเขาแ ล, ล้วมตึงครั้งที่สองก็ลุกอีกแล้วก็มันเริ่มเรียนรู้ศิลปะการทรงตัวในสุดมันก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลของธรรมชาติได้เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งนะครับว่า ในท่งกลางของสภาพแวดร้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมหมายว่มนุษย์มีส่วนเข้าไปกระตุน้นระบบคุณค่าหรือวิถีชีวิตให้มันเร็วขึ้นนี้เองที่ทำให้เรากรับตัวยากเมราะนั้นความสับสนเข้ามาเยี่ยมเยียนเราง่ายและบ่อยแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่ชำระล้างมันมันก็จะหมักหมม ก่อตัวขึ้นแล้วในสุดสิ่งนั้นก็กลายเป็นฐานที่จะมองโลกและจะเกิดการผิดปกติผิดเพี้ยนไปมากยิ่งขึ้นทุกทีดังนั้นเองนะครับคำแนะนำของผู้เจ้าก็ดีไม่ว่าในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ดีันมีค่าและมีความหมายสูงไม่ใช่สักเป็นตัวหนังสือเร้่ศีลถ้าคนที่ไม่เคยทดลองรักษาศีลอย่างเคร่งครัดนะครับ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 บุคคลมีความสุขเป็นเบื้องต้นครับเพราะในหนังสึอกับตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรดังนันจิตจะฟื้นฟูสมรถนะซึ่งซึ่งถูกว่าล้อมให้สุดถอยอย่างง่ายดายครับอาศัยความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรหลายคนปลอกตัวเองเมื่อเราวทต้องทําภารกิจหนะักหรือสิ่งที่น่าหวาดเสียวเช่นการเดินในฝ่าฝามืดเขาคิดว่าเรามีศีล เทวดายมคุ้มครองผีสาสรสักไรไม่ทําร้ายเราแน่นี้กําลังใจก็เริ่มเกิดจริงที่จะทนก็ได้เนอะถ้าเป็นอบัติเหตุหรีร อ, อะไรก็ตามใจนะครับดนั้นศีลจะช่วยเรารู้สึกการฟื้นฟูกําลังใจขึ้นแต่โปรดผมให้ข้อสังเกตนะครับว่าการรักษาศีลกับการคลั่งคลายไหลหลงศีลคนละตัวครับคนรักษาศีลเพื่อตัวเองผู้วิเศษนี้นี่ไม่ได้ศีลครับ เป็นลูกปลาทานศีลพิธีวินญาที่ที่สัมพันธ์ในความอยู่รอดปลอดภัยของผู้อื่นนะเช่นการไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยคําพูดการใช้คําพูดโดยไม่อย่างรู้เสีย ก, ก่อนว่าคําพูดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์รู้สึกของผู้อื่นเราะฉะนั้นศีลทั้งหมดนะเป็นเรื่องความรักต่อต่อชีวิตครับมีการย่างรู้ มืีการสนูนถนอมว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยทําให้เขาเสียกำลังใจถดถอยทําลายหัวใจเขาหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่นี้เป็นปัญญาครัเพราะมันเริ่มต้นในการอย่างรู้อาจจะอย่งางรู้พลาดแต่ว่าด้วยการอย่างรู้เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งคลายเป็นญาณที่อย่างรู้เองสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันนี้ก็ได้ เช่นการอย่างรู้ต่อโลกซึ่งบริสุทธิ์ต ร, ตราจากการขนานนามนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแม้ว่าเปิดเผย อ, อยู่เบื้องหน้าแต่เราไม่อาจเห็นมันได้เพราะเราปิดคิดตลอดเวลาทิ่งเราปรุงแต่งไม่ได้ภาษาและแต่เหมือนว่าภาษานั่นเองครับเป็นอาวุธซึ่งทรงประสิทธิภาพที่สุดที่มนุษย์เราได้ประดิษฐ์ขึ้น ภาษาทำไเราล้องเรียกแยกคนนายออกจากนายขอแยกต้นความออกจากต้นสนและภาษานี่เองก็ค่อยแจกออกจงกระทังเราล้องเรียกทุกสิ่งทุกอย่างได้ช่องว่างอวกาศด้วยตาข่ายเน็ตเวิร์กของภาษานี่เองเน็ตเวิร์กที่เรานิยามไว้เราก็สามารถนํามาคิดปรุงแต่งขึ้นแล้วก็คาดการณ์ข้างหน้าเหมือนเราเผาพันมนุษย์ จเจริญขึ้นอย่างน่าประหลาดแยกตัวจากเผ่าพันธุ์สัตว์ก็ตรงนี้ครับตรงที่มนุษย์มีพลังจิตจินตนาการกว้างไกลแต่พร้อมๆนั้นบางสิ่งปรากฏขึ้นอย่างน่าทึ่งตรงที่ว่าในขั้นกลางของพลังนากของสมองในการสร้างจินตนาการสร้างแบบจําลองขึ้นเพื่อคิดนึกนั้นความทุกข์ทรมานกันย่างกลายข้ามาในเผ่าพันธุ์มนุษย์เกินกว่า เผ่า พ, พันธุ์สัตว์อื่นเราจะไม่ค่อยเห็นนกกระจอกหรือแมวเศร้าเสียใจหรือสแสดงอากา ร, รทุรนทุรายทางอารมณ์เช่นน้อยใจคนแต่เราเพบว่ามนุษย์เรามีปัญหามากทางด้านอารมณ์เพราะเรามีจนินตนาการในทุกวันนี้นะครับจินตนาการสองรูปแบบกาลังต่อสู้กันอยูอ่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 อีกเทศหนึ่งเราจะพบว่าคนบางเทศโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับจินตนาการเขาตั้งไม่เพียงตั้งฐานบนความเชื่อมั่นทางธุรกิจและวิธีการทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ตั้งฐานบนความอาทรในเพื่อมนุษย์ความรักอิสรภาพการปกป้องโลกพิพภพให้อยู่รอดปลอดภัยเขาเชื่อมั่นในความรักด้วยสองจินตนการนี้นะครับที่กำลังเป็นไปอยู่ โดยประการหลังนั้นนะว่ามีคุณมากครับความหวังอยู่ที่คนกลุ่มน้อยนิดเดียวซึ่งเป็นผู้สร้างสันติภาพเมืที่สมองได้หมุนไปสู่ความเอื้ออาทรความรักต่อสิ่งสภาพแวดล้อมขึ้นมครับเม น, นั้นศาสนธรรมได้เติบโตขึ้นอย่าคิดว่าศาสนาคือเรื่องมุโบดเรื่องการบวชดังผมกลั่นไว้แล้วนะครับที่จริงเรื่องจิตสำนึก ลองทบทวนดูขนประเพณีการบวชนะครับผมเชื่อมั่นว่าอวันที่พระเจ้าวางระเบียบของการบวชนั้นท่านต้องมีหลักท่านคงไม่ยึดหาวิธีอะไรที่เลนที่เลนนะให้คนบวชกวนหัวหอมผ้าเหลืองเลนนั้นคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่ครับแล้วข้อแท้จริงแล้วเนี่ยในช่วงต้นของชีวิตช่วงชีวิตหลังสับสลูแล้วที่เรียกว่สมโพธิการนั้น มีกุลบุตรกฤติดาติดตามออกติดตามองท่านมากยังไม่มีธรรมเนียมการบวชประเพณีการบวชเพิ่งถูกสร้างนันทีหลังโดยเฉพาะเรารู้ในขจรวัตรพระยศกุลบุตรเนี่แนะเป็นอรหันก่อนบวชครับดังนั้นเมื่ององทรงประธานการบวชนั้นมีถ้อยคําไม่เหมือนกับประธานการบวชคนอื่นไม่มีคําว่าเธอจงมาทําที่สุดทุกโดยชอบเธอ เพราะท่านพิงพิสุดธทุกแล้วครับทั้งๆยังไม่ได้บวชพระเจ้าเพียงชวนมาเธอจงมาเป็นภิกษุเถอดทั้งนี้เองครับปัจจุบันนี้เรามีโบสถ์มีวัดนะครับมีคามขามก็จะผิดกันมากในหมู่ชาวพุทธผมต้องขออภัยเรื่องโูสทั้งพระทั้งโยมเข้าใจไม่ครบถ้วนเช่นคิดว่าอุปชาเป็นผู้บวชให้กุลบุตรส่วนใหญ่เราิดอย่างนั้น ที่จริงไม่ถูกเลยอุปัชาเพียงผู้คําประกันเท่านั้นเองครับการบวชนั้นต้องบวชโดยสงฆ์เท่านั้นสงฆ์บวชให้ครับแล้วถ้าหมู่สงฆ์ค้านเสียงเดียวนี่บวชไม่ได้เลยดูชั้นพ ร, รมาดีนี้นะครับว่าพุทธศาสนาเคร่งครัดเพียงใดในการกันกรองเพราะการกันกรองนั้นคือการรักษาล่างทั้งหมดของพุทธศาสนาไว้ได้ล่างในนี้ผมหมายถึงบอดี้นะครับไ ม, ไม่ใช่ร่างกาย หมายครงสร้างงบน้ถุกกรันกรองเป็นประสมนับแต่การเตรียมคนเช่นคนวัดสี่เดือนต้องมาอยู่วัดทดสอบน้ําใจกันสี่เดือนแล้วยังมีเตรียมสมมเณรสามเณรไป่าหน่อเน้อสามเณรไม่ใชลูกแนละ้แปลว่าการเตรียมคนเพื่อจะขึ้นมาเป็นพระสามเณรที่จะค้าตุนจันลงพระพุทธศาสนาในวันหน้านี้สำคัญมากนะในขัน้นอดีตการเตรีย ม, มนี้ผิดพลาดบ้างเช่นเอาเด็กเล็กมากเกินไป ตกเด็กหิวน้องตะโกนอยากกินข้าวต้มข้ก็ต้มเรต้อ ง, องบอกเลิกและกำหนดใหม่เพื่อให้เหมาะสมแสดงว่ามีการเตรียมคนอย่างรัดกลุ่มพิธีกรรมบอกถึงฟิโลสฟีเบื้องหลังครับดังที่ผมบอกแล้วว่าการบวชคือการสร้างสำนึกในวินาทีแรกที่ก้มลงกราบพระสงฆ์ถ้าไม่มีสิ่งนี้การบวชนล้มเหลวแล้วครับนับจากการเป่งถึงไตรไตรสน า, าคมสามหน สองผลไม่ได้ครับแล้วลาสึกก็เหมือนกันดังนั้นทั้งบวชทั้งสึกเนี่ยเต็มไปด้วยสติความรู้ตัวว่าตัวเองกำลังประกอบกรรมอะไรอยู่เพราะถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีเมล็ดพันธุ์ของการรู้แจ้งจึงไม่ยอมบวชให้คนที่พิการหรือเป็นบ้าศีจริตบวชไม่ได้ครับถ้าบวชแล้วก็ปรับอาบัติสง ทั้งหมดที่บวชให้ด้วยรวมแม้อุปชาด้วยครับเมื่อเราทำบวชที่นี้แล้วเราพบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพระเมตตาของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องท่านมองโลกแล้วก็มองด้สายตาที่จะอุ้มชูเพื่อกูนแกประชาชนในวันหน้าพฤติกรรมขององคท่านนั้นนะว่าเป็นที่รู้ประจักษ์กันว่า มนุษย์ในโลกนี้ทัดเจนได้ยากทั้งตรัตัญญาและความเคารพในสิทธิมนุษยชนนักปราสทางตวนตกนั้นสันเสริญมากในพระสูตรที่เรียกว่าการามสูตรครับที่ปฏิเสธการเชื่อครอยตามมัะคำทีบ้างจนใน่สุดแม้แต่ว่าครอยตามคำครูสแสดงถึงความเคารพ มนุษย์อย่างล้นเหลือของพ ร, ระองค์ท่านข้อข้อที่ผมตั้งไว้นะครับคือการท่องสำรวจชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยดครับตรงที่วา่าเราสำรวจเฉพาะพรัไตรปิฎกเราจะพบแต่ตัวหนังสือและข้าสมมุดเราจะเรียนจบพระไตรปิดกสามเที่ยวสี่เที่ยวแต่เราไม่ได้ท่องสำรวจตัวชีวิต จิตใจและอารมณ์นั้นเป็นที่รู้กันนะครับพระพุทธองค์เองทรงกล่าวว่าสำหรับผู้เจริญนิัสานาชื่อลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือในหมายถึงขอโทษนะฮะลัดนิ้วมืจากนิ้วมือนีอน้ดีดนิ้วมือช่วยเสี่ยวเวลาทีเดียวนะครับคนเจริญนิพพานช่วยเสี่ยวเวลาทีเดียวนะั้นมีอานิสงส์สูงกว่าเชิญพระทาหารทั้งโลกมาแล้วถวายสังฆทานิกครับ แล้วก็มีอานิสงส์มากถึงขนาดอาจารย์ลื่นหลังผูกเป็นประโยช์เพิ่มเติมว่าเจริญปัสนาชั่วช้างสะบัดหูงูงแลบลิน้นมีอานิสงส์สูงมากเช่นวันอย่างนั้นไหมครับคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดล้อเล่นครับเพการท่องตารวจชีวิตเมื่อเราตั้งสติรู้ตัวเข้าไปแล้วสังเกตครับการท่องตารวจนั้นไม่ได้หมายว่าสํารวจเพื่อหยุดพัก เป็นหลักแหล่งแต่ตำรวจผ่านเพราอในขณะที่จิตคิดในขณะที่ความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นนะครับถ้าเราอ<ม><ล>ะไรเห็นมันได้นั่นคือการเจริญนิพพานแล้วการเจริญนาพพานนั่นเองที่ทำคนธรรมดานะครับให้เป็นพระเพราะว่าหัวใจการบวชอยู่ตรงการมีสติตั้งแต่รูปแบบการทดสอบสติทําให้สัญญา จนสติความรู้ตัวนั้นงอกงามจนเป็นพุทธะนั้นฟิโลสฟีการบวชก็ดีเลยละถ้าเราปรับสิ่งนี้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของกครหัส่ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสมีบุญนะครับได้สืบศาสนาโดยสูงเครื่องแบบแต่สิ่งที่แน่ที่สุดว่าสิ่งที่เจ้าทรงแนะนำนั้นมีประโยชน์กับทุกคนทุกวันดังเห็นได้จากขนบธรรมเนียมที่ เด็กๆจะต้องร้องลทานพุทธมามากะนะคพุทธมามากะแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นของหนูคำเนี่ครับแล้วพระเจ้าเป็นของผมกิริยาให้หยึดถือแต่ให้หยึดถือในสิ่งที่จะนําเข้าไปสู่การคลายคว า, ามยึดติดในกิเลสในตัณหาในโลกซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานถ้าสมมติเราเกิดความรู้สึกน้อยใจขึ้นมาว่า เราไมีโอกาสได้บวชเพราะเราเป็นสตรีหรือเราบวชตามธรรมเนียมแค่สามเดือนแล้เวเรามีโอกาสที่เป็นพระอีกหรือบางเออเราไปอ่านหนังสือการต่อสู้ของพระสงฆ์ครั้งอดีตครั้งที่ประเทศลังกาหรือที่เรียกลังกาทวีเกือบจะล่มจมทั้งการเมืองและศาสนธรรมพระภิกษุที่เรียกว่าสาบาลีวงศ์นะครับของไทยได้สร้างวีร ก, กรรมหน้าหน้าอนโมทนาอย่างยิ่งยวด พระสงนั้นไปตายจี่นูนหลายลูกแต่ได้ฟื้นด้วยศาสนาในลังกาขึ้นอย่างน่านิยมชมชื่นจนตราบเท่าทุกวันนี้พระภิกษุที่ตายอยูประเทศไทยพอเอ่ยชื่อสยามโมงแล้วเนี่ยเขาได้นั่งแถวหน้าเลยครับปกติพระธรรมธาตุพระเกี้ยวแก้วนั้นเขาไม่ให้คนเข้าใกล้แต่ถ้าพระสยามวงเขาให้ยืนชิดเลยเพราะว่าครั้งหนึ่ง วิรกรรมของพระสงฆ์ได้กาะกู้พุทธศาสนาขึ้นของพระสงฆ์ไทยนะครับประสานกับพระสงฆ์ลังกาที่หลงเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะอ่านหนังสือชนี้เราอาจจะน้อยใจเมื่อเราไม่มีโอกาสได้ร่วมทางร่วมกระทาวิรกรรมวันนั้นแต่ความรู้สึกน้อยเนี้ยต่ําใจนี้จะจบสิ้นลงทันทีเมื่อเราเจริญวิปัสนาไมขณะที่เราดูจิตท่องสมบูรณ์เข้าไปเกิดความคิดเกิดเรารู้เราเห็น หวใจเตนเราสัมผัสได้ตากระพริบเรารู้สึกทําอย่างนี้ครับเรากําลังร่วมกระทําวีดกรรมกับสาวกของพระเจ้าเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่อาจตั้งอยู่ได้รูปแบบด้วยรูปแบบโดยประการเดียวครับเป็นที่ประจอกกันว่าการปฏิบัติธรรมนั้นน่อะครับการปฏิบัติเท่านั้นที่ฟืน้นกัญสารสาระของพุทธศาสนาขึ้นมาได้โดยการท่องคำลาต่อให้ทรงจําประจันติบิดกได้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 สิ่งที่อุปชานำมานั้นไม่ใช่เจ้าหนาคือหัวใจที่เปลี่ยมสำนึกแล้วจะเข้าสู่ศาสนาอุปชาได้นำจิต ด, ดวงนั้นมาเป็นสักขีพยานให้ว่าตามที่ทดสอบแล้วเนี่ยขอให้สงเอ็นดูพิจารณาด้วยให้พิจารณาเข้าโมกตเพราะจะได้เป็นผู้สืบทอดศาสนาผมคิดว่าขอบรรยายเท่านี้นะครับ ในชั e, cards, um, um, ่วโมงนี uh. so ้คงจะต้องคุยคําถามถ้าสู้สองภาถาไหมครับอาอยาทราบว่าสติปัฏฐานสูตี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงนีมีอะไรบ้างใช่ไหมถึงอะไรเพราะว่ายันไม่คล่องกับการทฤษฎีที่แบบที่อาจารย์บอกว่าเป็นเป็นอะไรนะครเป็นที่ตั้งเบื้องต้นหรืออะไรของ การทําธรรมะขั้นสูงใช่ไหมฮะหรืออะไรต่อไปแตบบ่ว่าเป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของธรรมะอ่าครับที่จริงนั้นอ่คําสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่นะครับในการแจกเข้าสู่รายละเอียดค่อนข้างมากมีถึงสี่ฐานนะครับฐานทั้งสี่นั้นเป็นที่ตั้งของการพัฒนาให้สติเข้มข้นขึ้นตามระ ด, ำดำับ และสติปัฏฐานนั่นเองที่ถูกปรับตกแต่งใหม่ไม่ว่าในพุทธศาสนากลายเป็นพิทาโจโดสาวดีก็ดีนะครับหรือนิกายเทราวาตมาหายานเอเามหายานหรือสิญยานว้านเราก็ดีว่าโดยภาคปฏิบัติแล้วเป็นอันยึดติดกันได้ครับว่าสติปัฏฐานในรูปหนึ่งรูปใดเนี่ยถูกชูขึ้นมาในหมู่ชาวพุทธเพราะว่าปราจากการหยิบสติปัฐานาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะอุปาทานได้ครับ ที่ที่สี่ฐานถ้าเรากระมวลย่นยๆเข้ามาให้เป็นเหลือเป็นอันเดียวคือเราต้องการฝึกสติแต่ฝึกบนฐานทั้งสีซึ่งมันจะนําไปสู่ความเข้มข้นสําหรับบางคนนั้นมีวาสนาบารมีธรรมาจิตดวงแต่เกิดก็มีนะครับเช่นสติก็หนักแน่นอยแล้วเราต้องยอมรับความจริงหนึ่งว่าคาคนนี่เขามีสิ่งวปร้อมที่ดีมากๆบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องอ้างถึงชาติก่อนก็ได้ครับ เช่นบังเอิญเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยลูกจะได้รับโดยง่ายดา้คือสติขเขาดีนะสตินั้นไม่ฟั่นเฟือนแต่ถ้าบางคนถ้เกิดมาในครอบครัวซึ่งมันมีบาป ก, กรรมของครอบครัวก็ได้นะฮะพ่อแม่ทะเลาะกันแบ่งแยกกันลูกก็สอบ์วนแต่ทั้งหมดไม่ว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เพื่อนร่มอยู่ถ้าเจอผู้รู้เข้าา ทำให้เจอผู้รู้ไม่ได้หมายมเจอบุคคลเพื่อจะคลั่งคล้ายไหลหลงแล้วผมเชื่อมัเนี่ผู้รู้เขาจะไม่ยอมให้ไหลหลงไปน็นอันขาดครูที่แท้จริงนั้นย่อมหมุนพลังความยึดติดของสิทเข้าไปํารวจตัวเองเท่านั้นให้เขาได้สารวจตัวเขาเองเท่านั้นแต่วครูเทชรเพียมนั้นชอบที่ให้สิทธิ์ยึดถือครับพรมันได้ประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดคลั่งคล้ายไหลหลงผิดเพี้ยนไปต่างๆอันนนทีจริงตีพิสารเราเริ่มต้นง่ายๆก็ได้ครับ ฉันจับความรู้สึกตัวสดๆนี่เป็นทั้งกายและเป็นทั้งเวทนาผมคงไม่สามารถแจกรายละเอียดครบทั้งสีฐา น, นนะครับแต่มีประโยคหนึ่งซึ่งชี้บ่งมากครับที่พระเจา้จาตรัสว่าทำทั้งหลายประชุมลงที่เวทนาสเภธธรรมาสมุตรนาเวทนาครับยกบาลีสำทับหน่อยเดี๋ยวจะหาของว่าเ อ, าเองคือ ทำหนังบทที่เราเรียนเนียที่เราคิดนึกอยู่ในสมองเป็นภาพโน้นภาพนี้หัวข้อทํานั้นนะครับถ้าไม่ประมวลที่เวทนาแล้วเนี่ยพูดได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ครับและส่วนใหญ่เราก็จึงปฏิบัติชั้นที่เป็นอุดมคติเป็อุดมคติที่ต้องเมตตาต่อผู้อื่นเอาอุดมคติมาปฏิบัติแล้วอุดมคติมันมันอยู่ในอวัยวะครับบางทีเราก็เมตตาบางทีเราก็โมโห เราเมตตาเขาไม่ได้ดังใจดินเราก็ยั่วเข้ามาในอุดมติเราก็พังบ่อยที่สุดเพราะว่านั่นเป็นการปฏิบัติแบบยึดถืออุดมคติเอาอุดมคติมาปฏิบัติแต่ถ้าสตินั้นไม่เกี่ยวครับอุดมคติที่มีแล้วก็มีแล้วแต่สติความรู้สึกตัวมันจะนําเข้าสู่อสมดุลธรรมชาติที่เราสัมผัสได้เฉพาะอะไรธรรมะนั้นเป็นเพียงอุบายเท่านั้นครับ ดังที่เมเรียแล้วนะครับว่าในในชั่วโมงต้นว่าพระเจ้าเข้าถึงอภิญากรอภิญากรตธรรมคือธรรมะซึ่งนอกเหนือภาษานอกเหนือการชีบช้บง่งชี้บ่งผู้รู้สังกฤตใช้นมิเนชั่นนะครับการลองเยียกชื่ อ, อเรียกนมินเนตแต่ธรรมะเติงมอยู่นอกนั้นครับเช่นท่าดินท่า